บทภาชณีติการปาจิตติรยสี่สิอุปสัมบัญภิกษุสําคัญว่าเป็นอุปสัมบัญไม่เอื้อเฟื้อต้องอบัตปาจิตติอุปสัมบัญภิกษุไม่แน่ใจไม่เอื้อเฟื้อต้องอบัตปาจิตติอุปสัมบัญภิกษุสําคัญว่าเป็นอนุปสัมบัญไม่เอื้อเฟื้อต้องอบัตปาจิตติทุกกฎภิกษุอันอุปสามบัญตัเกเตือนด้วยเรื่องที่ไม่ใช่พระบัญญัติไม่เอื้อเฟื้อด้วยกล่าวว่า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 ไม่เป็นไปเพื่อความไม่ก่อไม่เป็นไปเพื่อความปรารบความเพียรต้องอบัตทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุสําคัญว่าเป็นอนุปสัมบันต้องอบัตทุกกดอนุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกดอนุปสัมบันภิกษุสําคัญว่าเป็นอนุปสัมบันต้องอบัตทุกกด